นี่ต่างคนต่างก็มีเจตนาศรัทธาที่จะเข้ามาฝึกตนตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อทำละพิเลธให้บาบางออกไปจากกายวาจาใจของตนการเข้ามาวัดก็ต้องมุ่งอย่างนี้มันจึงถูกตามจุดมุ่งหมาย ถ้าไปมุ้งอย่างอื่นแล้วไม่ถูก <c oughs> ก็เป็นอันว่าพวกเราที่มาร่วมกันอยู่ในที่นี้ก็คงมีตั้งเจตนาอย่างนี้การทุกคนเมื่อเรามีความมุ่งอย่างนี้แล้วก็ขอให้พาคันสํารวมกายวาจาใจของตนให้มันดี มีสติสัมปชัญญะคอยระมัดระวังอาการกายวาจาใจอย่าให้มันพลิกแพงไปทางที่ไม่ดีเมื่อเรามีสติสัมปชัญญะกํากับอยู่นี่มันก็จะไม่ค่อยพลิกแพลงไปในทางที่ไม่ดีไม่งามหรอก การที่ความประพฤติของคนเรามันจะหมุนไปทางไม่ดีก็เพราะมันขาดสติความระลึกได้ก่อนทำก่อนพูดอะไรนั่นนะระลึกไม่ได้ระลึกการกระทำคำที่พูดของจนล่วงหน้าไม่ได้ว่ามันถูกหรือมันผิดควรหรือไม่ควรบางทีมันก็เลยผิดพลรราดไป เพราะว่ามันขาดสติคุ้มครองแล้วจิตนี้มันย่อมแปรไปทางไม่ดีนะนะมากกว่ดทางดีดังนั้นแหละควรพากันมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตของตนให้ได้เมื่อควบคุมจิตนี้ได้แล้วก็ควบคุมกายวาจาได้เลยเพราะว่ากายวาจานี่มันก็อยู่ในความคุ้มครองของจิตนี้เอง สุดแล้วแต่จิตมีความมุ่งหมายให้ทำอย่างไรพูดอย่างไรมันก็ทำก็พูดไปตามเจตนาของจิตนั่นเองท <c oughs> ีนี้ถ้าหาวใจมันยึดเอากิเลสอันใดไว้ในใจนั้นอย่างหนาแน่นนี่มันก็มักจะแสดงออกตามลักษณะของกิเลสอย่างนั้นแหละลองสังเกตดูเป็นอย่างนั้น นี่ถ้าหากว่าผู้ใดจิตของผู้ใดไม่ยึดเอากิเลสอันใดอันหนึ่งไว้อย่างนี้นะการแสดงออกทางกายวาจาใจนี่มันก็สม่ำเสมอไปไม่แสดงอาการรุ่มรุ่มดอนดอนไม่แสดงออกซึ่งความยินดีความยินร้ายหลายคมว่าอย่างนั้นอืม ไอ้จิตใจที่มันครูควบคุมอยู่เสมอไปนั่นนะเร <c oughs> ียกว่าพูดง่ายว่าใจตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมนั่นเองแหละเ <c oughs> <c oughs> มื่อใจตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมแล้วการทำอะไรพูดอะไรออกไปมันก็เป็นประโยชน์เป็นบุญเป็นกุศลไปทั้งนั้ น, น, ะนะไม่ได้เป็นบาปเป็นโทษนี่นะ ในการที่เราเข้ามาอยู่ในวัดวาอารามนี่ก็ขอให้มุ่งว่าเราจะมาปรับปรุงจิตใจของเราให้เป็นกุศลคือว่าให้มันฉลาดคำว่ากุศลนี่แปลว่าความฉลาดหรือแปลว่าตัดก็ได้แปลว่าตัดคือคือตัดความรักตัดความชังตัดความกโกรธอะไรพวกนี้แหละออกจากจิตใจ น่น่ะท่านจึงจัดว่ากุศล น, นี่นะลำพังแต่บุญเฉยๆนี่นะเพียงแต่ว่าตนได้ทำคุณงามความดีอะไรไปแล้วมันนึกถึงความดีที่ตนทำแล้วก็เกิดความปีติเบิกบานใจขึ้นมาอันอย่างนี้ท่านเนียกว่าบุญ <c oughs> ยังไม่ยังไม่เรียกว่ากุศลก่อนต่อเมื่อได้เอาชนะมารคือกิเลสภ า, ายในหัวใจอย่างใดอย่างหนึ่งไปได้ไม่ไม่ยอมให้กิเลสนั้นมันสุดคล้าให้ไปทำความชั่วด้วยกายด้วยวาจาอย่างนี้แล้วก็จัดว่าเป็นกุศลนี่นไปดึงนั้นเพราะฉะนั้นกุศลนี่ท่านยัง จัดเข้าไปในโลกุตระธรรมนั่นที่ท่านเรียกว่าโลกุตระกุศลอืมนั่นเนี่ย <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้ให้ชื่อว่าโลกุตระบุญไม่มีในตํารามีแต่โลกุตระกุศลเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นบุคคลผู้ที่จะวิมุตต์คือหลุดพ้นจาก กิเลดยังได้ยังหนึ่งได้โดยเด็ดขาดนั้นก็ต้องอาศัยความฉลาดขอ ง, งดวงจิตดวงนี้แหละอบรมให้มันเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาให้มันฉลาดในกระบวนจิตสามารถสอนตัวเองให้ละสิ่งที่ควรละได้สอนตัวเองให้ทำสิ่งที่ควรทำได้ <c oughs> สอนตัวเองให้รู้เท่าในสิ่งที่ควรรู้เท่าเช่นทุกในสังขารร่างกายอย่างนี้นะเมื่อมันเกิดขึ้นแก่ร่างกายของผู้ใดแล้วมันจะไปบังคับให้มันหายไปมันไม่ได้เลยนี่แหละพระศาสตราทรงสอนให้กําหนดพิจารณาให้รู้เท่า เรีว่าสอนใจของตัวเองให้รู้เท่าทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในร่างกายนั้นตามเป็นจริงถือว่าทุกนั้นเป็นเรื่องของสังขารก็พระเจ้าทรงตรัสได้ว่าสั่งข่าราปรมาดุข่าสังขารทั้งหลายเป็นทุกข์อย่างยิ่ง <c oughs> นี่แหละคำว่าสังขาร ห, หมายถึงว่า สิ่งที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้นะสิ่งใดก็ตามเนี่ยจะมีวิญญาณคลองก็ตามไม่มีวิญญาณคลองก็ตามเมื่อมันอุบัติเกิดขึ้นมาแล้วพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นสังขารคือส ส, สิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นด้วยเหตุปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่ง อ, อันนี้แหละเรียกว่าสังขารทั้งหลาย เมื่อมันผูกโกงแต่งขึ้นแล้วอย่างนี้ในเบื้องต้นนี่มันก็จะเรินรุ่งเรืองขึ้นจริงแหละแต่ขั้นไปในถ้ำกลางหรือในตอนปลายแล้วมันก็แปรปวนแตกดับไปลงไปในระหว่างที่มันกำลังแปรปวนอยู่นี่นัน่นเนี่ยถ้านเนยว่ามันเป็นทุกข์คือมันทนอยู่ไม่ได้ทนได้ยากทนลำบากสิ่งที่มีวิญ ญ, ญาณครอง อันนี้ยิ่งลำบากมากเพราะมันมีธรรมชาติรับรู้ความเปลี่ยนแปลงของสังขารร่างกายต่างๆนี่ส่วนต้นไม้ใบหญ้าหินผาแผ่นดินอะไรหมนี้นะมันไม่มีจิตวิญญาณครองถึงแม้ว่ามันจะวิบัติอันแปรมันจะถูก คนตัดคนฟันยังไงยังไงมันก็ไม่รู้สึกเจ็บปวดไม่ได้แสดงอาการทุรนทุรายอะไรเลยเพราะมันไม่มีจิตที่จะมารับรู้การกระทำนั้นแต่ว่ามันมันถัามีทุกขลักษณะอยู่ในตัวของมันเองลักษณะแห่งทุ ก, ก็คือว่ามันทนอยู่ไม่ได้นั่นเองแหละ ต้นไม้ใบหญ้าดินหินอะไรก็ยังพังยังผุยังพังลงไป อ, อันนั้น ล, ลักษณะความทุกข์ของสังขารที่ไม่มีใจครองมันจะเป็นแต่เพียงอาการเฉยๆอันนั้นแต่มนุษย์และสัตว์ดิฉานนี่อันนี้มันไม่ใช่อาการมันเป็นทุกข์แท้ๆอันนี้นะเพราะมันไม่มีมันมีจิตวิญญาณรับรู้ ความแปรปรวนของร่างกายนี้ดังนั้นแหละพระศาสดาจึงได้ทรงสอนให้เจริญสมถะวิปัสนาคือฝึกจิตให้มันเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นเมื่อมันรู้มันฉลาดแล้วมันจะได้รู้เท่าความแปรปรวนของสังขารดังกล่าวมานี้เแล้วพร้อมกับเบื่อไน พอเมื่อมองเห็นสิ่งใดสิ่งใดก็มีแต่ความแปรปรวนไปไม่มีคงที่ขยับเข้ามาใกล้ๆได้แก่อัตภาพร่างกายอันนี้นะลองมองดูสิแต่ละวันแต่ละคืนนะ่ะกำหนดใจให้แน่แวแน่เราสังเกตดูนี่แหละมันเปลี่ยนแปลงแปรผันไปอยู่อย่างนั้นเลยไปไม่มีอะไรที่จะคงที่อยู่ได้เลย มเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้บ่อยๆเข้ามันก็เบื่อหน่าย ม, มันเป็นอย่างนั้นแต่พิจารณาเอาจนมันเบื่อหน่ายนะถ้าหาว่าพิจารณาไม่ถึงความเบื่อหน่ายแล้วยังไม่ได้ผลเรื่องนี้เนี่ยเพียงแต่ว่าพิจารณาเห็นไปเรื่อยๆเปื่อยๆไปอย่างนั้น ไม่ได้เกิดความสังเวชสลดใจแล้วเบื่อหน่ายเลยอย่างนี้จิตใจมันก็ไม่กระตือรือร้นที่จะหาทางค้นไปต่อเมื่อพิจารณาลงไปจนว่ามันเกิดความสังเวชสลดใจแล้วเบื่อหน่ายสลดใจอะไรสลดใจว่าตนนั้นน่ะหมายถึงดวงขีดนี่แหละได้มาอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยง นี่นะมาอาศัยอยู่ในะร่างกายอันไม่เที่ยงนี้นะแล้วแล้วทําไมตนถึงมาอาศัยอยู่ในนี้ไม่รู้หรือว่าของไม่เที่ยงนะไม่รู้แล้วแต่ชาติก่อนรุงก็ไม่รู้มันยังสำคัญว่าตัว ต, วตนของตนอยู่นี่เพราะเหตุนั้นมันจึงยึดถือเอาไว้ว่ามันยึดถือเอาไว้มันก็เป็นตัวกรรมนำจิตวิญญาณมาเกิดในชาตินี้ขึ้นมาอีกนี่นะ ก็เพราะมันไม่รู้ความจริงของร่างกายนี้ตามเป็นจริงนั่นเองเนะี่ยมันจึงไม่เบื่อหน่ายเมื่อมันไม่เบื่อหน่ายแล้วมันก็ยึดถือเอาไว้จิตใจนี้เนะ่มันก็สำคัญในพินของเราอย่างนี้นะท่านผู้หลุดพ้นไปได้ท่านไม่มาเกิดในขันห้านี้อีกนั้นก็เพราะว่าท่านอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วท่านใช้ปัญญานี้สอนจิตเสมอเสมอไปสอนจิตนี้ให้มันติด ต่อกันไปเรื่อยๆตอนนี้มันเห็นแจ้งความจริงของสังขารร่างกายอันนี้อยู่อย่างนั้นให้มันเห็นอุปมาเหมือนอย่างกระจกสองเงาหน้านี่นะเมื่อขัดให้มันสะอาดดีๆแล้วอย่างนี้เราไปยืนอยู่ ก, งกรงกระจกอันนั้นมันจะมองเห็นหน้าเห็นตาเห็นอวัยวะน้อยใหญ่ของตัวเองได้ชัดเจนเลยอืม เพอย่างนั้นเนี่ย <c oughs> เว้นเสียแต่ว่าไปปล่อยให้กระจกนั่นมันถูกขามาเอามาจับเอาเกิดกลังไปแล้วเส้นนี้มันก็มัวหมองจะไปมองดูหน้าของตัวเองไม่ถนัดเลยเพราะกระจกนั่นมันเศร้าหมองไปเพราะมันมีทุลีละองมาจับเกิดกลังเข้าไปอันนี้ทั้นใดก็เหมือนกันเนี่ยจิตใจของคนเราเนี่ยถ้าปล่อยให้กิเลสอวิชชาตัณหา มันหุ้มห้อมมากๆเขาแล้วมันก็มืดแปดด้านเลยไม่รู้จักทุกไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกเลยแล้วไม่เบื่อหน่าย อ, อไม่เบื่อในทุกไม่เบื่อในทุกก็คือไม่เบื่อในขันห้านี่เองแหละไม่ใช่อย่างอื่นขันห้านี่แหะเป็นก้อนทุกนะ่ะเพราะฉะนั้นจังว่าเมื่อไม่เบื่อ อ, อในทุกก็ชื่อว่าไม่เบื่อในขันห้า ไม่เบื่อในขันห้าก็ชื่อว่าไม่เบื่อในทุกอันเดียวกันถ้าเบื่อในทุกก็ชื่อว่าเบื่อในขันห้าแหละถ้าปล่อยวางขันห้าได้ก็ชื่อว่าปล่อยวางทุกได้ชื่อว่ารู้เท่าทุกได้ <c oughs> เพราะอันเดียวกัน <c oughs> เป็นอย่างนี้ ชีวิตของคนเรานี่นะให้พึ่งพากันพิจารณาอย่าไปนอนหลับทับสิตอยู่ในเมื่อทุกขนะ์นมันเป็นโคเป็นอาจารย์คอยเตือนจิตดวงนี้นะให้คิดให้พิจารณาอยู่เสมอเดี๋ยวก็ปวดหัวเดี๋ยวก็ปวดท้องเดี๋ยวก็ปวดแข้งปวดขาเจ็บหลังเจ็บเอว เดี๋ยวก็หิวข้าวเดี๋ยวก็กระหายน้ำเดี๋ยวก็หิวนอนอะไรโมนี่นะนี่แหละเรื่องของทุกข์มันเตือนจิตอยู่เสมอเสมอแต่ว่าจิตของคนเรานี่มันไม่ตื่นเรื่องมันนะเพราะปล่อยให้โมหะครอบนําเอาเสียจนมืดมนเหมือนอย่างกระจกสองเงาหน้าไปปล่อยให้ขมเหาวมันจับเอาซจนว่าเกิดกลางไว้หมด <c oughs> มันก็เลยส่องเอาหน้าของตนไม่เห็นถนนะัดอันนี้เหมือนกันแหละเมื่อใจนี่ ม, นมันมัวมองด้วยอุปาคิเลสดละกล่าวมานั้นแล้วมันก็มองตัวเองไม่เห็นเลยไม่รู้ว่าความจริงของตัวเองเป็นอย่างไรอ่ะตัวเองมาอาศัยอยู่กับสิ่งเหล่านี้นะมันเป็นยังไงอ่ะไม่ได้วิไม่ได้วินิจใช้หรอก คนหลงคนเมาอ่ะเป็นอย่างนั้นไม่ได้เวีนนิชัยตัวเองเลยแต่ละวันแต่ละเวลาเนี่ปล่อยให้จิตให้ลอยไปตามกระแสของกิเลสน่าสงสารคนเฒ่าคนแก่อยู่กับบ้านกับช่องอเมื่อลูกสาวลูกชายได้ได้หลานมาได้ลูกมาแล้วก็เป็นหลานของยายเป็นหลานของย่าของปู่ เป็นหลานของตาเอาแล้วปู่ย่าตายายรักหลานแล้ววั น, นี้หลานมันสอเราะอย่างโน้อนอย่างนี้ก็ชอบใจจิตใจก็ไปจดโจอยู่แต่หลานนั่นแหละวะ น, นี้นะไม่ได้ภาวนาพุทธโธธรรมโมสังโฆอะไรเลยไม่ได้พิจารณาให้เห็นอนิจจังพวกขังอนัตตาเลยนี่แหละนะ่าสงสารตรงนี้แหละ มัหลงอยู่ในของสมมุติบัญญัติต่างๆในโลกนี้สำหรับผู้ที่ได้ภาวนาสมาธิแล้วได้เจริญปัญญาให้เกิดขึ้นอย่างนี้ถึงแม้จะสม ม, มุติว่าหลานของตนลูกของตนแต่มันก็ไม่หลงมันก็รู้ว่านี้เพียงแค่สม ม, มุติเท่านั้นไม่ใช่เป็นเรื่องจริง ถ้าพูดถึงเรื่องจริงแค่นล้วก็มีก็เรียกว่าสังขารดั่งที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละสังขารนนะ่ะมันเกิดขึ้นนะโดยเหตุปัจจัยคนที่เกิดมาในโลกนี้ก็เพราะอาศัยอวิชชาสันหกรรมนั่นแหละนามาตกแต่งให้เกิดเป็นคนขึ้นมาเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วผู้หลงก็สำคัญว่าลูกเราหลานเราเหลนเราอะไรหมนี้นะ อก็เลยผูกพันอยู่ในของหมู่นั้นที่จริงแล้วไปผูกพันอยู่ของอยู่กับของไม่เที่ยงเช่นนี้แหละจะมาให้เป็นทุกข์อย่างไรแล้วดังนั้นคนแก่บางคนน่ะเข้าวัดก็ไม่ได้ห่วงแต่หลานอกลัวหลานจะลําบากกลัวหลานจะไม่ได้อยู่ได้กินกลัวหลานจะไปตกเรือนตกต้านอะไรถ้าราพัด ห่วงหลายเลยไม่มีโอกาสจะได้เข้าวัดฟังธรรมไม่มีโอกาสที่ได้แสวงหาทางไปสวรรค์ทางไปพระนิพพานเลยอันนี้จึงว่า น, น่าทุเลตหลายนี่นะม <c oughs> ันสำหรับพวกเราที่ได้สละบ้านเลือนมาชุมนุมกันฝึกผนอบรมกายวาจาใจของตนอย่างนี้ ได้ชื่อว่าพ้นจากข้อตำหนิดังกล่าวมานั้นได้เลยทีเดียวอไม่ได้ถูกตำหนิว่าห่วงลูกห่วงหลานห่วงบ้านห่วงช่องเอก็อ น, นับว่า น, น่าชมน่าสรรเสริญเอได้ชื่อว่าเป็นผู้มีบุญญาบุรมีที่ได้สั่งสมอบรมมาตั้งแต่ชาติก่อนโน่นมากพอสมควรบุญบา ร, รมีอันนั้นแหละมากระตุ้นเตือนใจ ให้เกิดความคิดนึกขึ้นมองเห็นความทุกข์ในชีวิตของตนได้อาศัยบุญนะไม่ใช่อย่างอื่นนะใจะไปเข้าใจว่าอย่างอื่นมาดนใจของตนนะ่ะบางคนเข้าใช้ว่าเทวดาน่ะมาดนใจพอ <c oughs> ไม่ใช่นะโอ้ยเทวดาอะไรยวจะไปเที่ยวโดโนใจคนทั้งโลกอันนี้เทวดาก็เหนื่อยแย่ yeah. ไม่ไหวหรอกบุญกุศลของใครของมันนะ่สร้างเอามาแต่ก่อนนน่ะมันติดสอยห้อยตามมามันมาปลุ ก, กจิตใจให้ตื่นมองดูตัวเองเลเกิดมาแล้วก็ชำรุดสุดโทรมไปทุกวนันทุกเวลาไปเกิดขึ้นมาแล้วก็มาทำมาหาเลี่ยงรับประทานแสนยากแสนลำบาก คนมากขึ้นเท่าไรการแสวงหาเลี้ยงชีพก็ยิ่งอาจจะคัดขาดแทนยิ่งลำบากคนมีบุญน้อยยิ่งจนลองหาทรัพย์สมบัติอะไรก็ไม่ได้มันไม่ทันกับคนที่เขามีบุญมากเขามีปัญญาเขาครอบงำไปหมดเลยอาชีพต่างๆคนจนคนบุญน้อยนี่ะต้องได้ไปเป็นลูกจ้างเขา ต้องให้เขาบาังคับปัญชาข่มขู่ทรมานกายทรมานใจอยู่อย่างนั้นเนะนี่ยนี่เราคิดดูคนบุญน้อยนะนี่แหละเพราะฉะนั้นอยา่าไปอยากมีบุญน้อยคนเรานะสร้างบุญให้มันมากมากอ่ามันจะได้อยู่เหนือความทุกเหล่านั้นถ้ามันเกิดอีกมันก็จะเกิดดีมีอิสระเสรีอ่าบุญกุศล ที่ตนได้ทำมามันจะมาอํานวยผลให้ได้รับความสะดวกสบายในชีวิตนี่ผู้ที่ได้รับความสะดวกสบายในชีวิตนี้ก็เพราะว่ะบาบุญกุศลหนหลังนั่นแหละมันมาอุปถัมภ์บำรุงนี่อันบุญกุศลที่เราทำในปัจจุบันนี้มันก็ช่วยบำรุงขีดใจนี้ให้เบิกบานผอ่องใส ช่วยบำลุงจิตใจนี่ให้มีสติปัญญาอบุญกุศลที่เราทําในปัจจุบันนี้นะแต่มันจะมาตกแต่งร่างกายอันนี้ให้ดีขึ้นกว่าเก่านะมันไม่ได้ให้เข้าใจให้มันถูกต้องอย่างนี้อันร่างกายนี้เป็นหน้าที่ของบุญเก่ามันกระทามามันตัมันสร้างมาแล้วมันมาอุปธรรมบำลุงไว้นี่ เพราะฉะนั้นแหละเราจึงไม่สามารถที่จะมาดัดแปลงตกแต่งร่างกายนี้ให้มันเป็นไปตามประสงค์ได้เลยมันทั้งนี้มันขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่เราทํามาแต่ก่อนนั้นะเราต้องวางใจลงไปอย่างนี้มาปรับปรุงคิตใจนี่ให้มันดีขึ้นน่ะส่วนร่างกายนั้นเราก็บํารุงมันตามฐานะเท่าที่จะบํารุงมันได้นั่นแหละส่วนจิตใจนี่เราสามารถบํารุงได้ เต็นที่เลยใจิตใจนี่นะมันไม่ใช่ว่ามันจะวิบัติแปรปวนไปเหมือนอย่างร่างกายนะถ้าหากว่าเราฝึกให้มันสงบเราอบรมสติสัมปชัญญะควบคุมให้มันตั้งมั่นลงไปในกุศลคุณงามกมดีแล้วมันก็ตั้งมั่นได้อ่าตั้งมั่นได้จริงจียงข้อนี้นะตาะ ผู้ใดปฏิบัติผูนั้นเราจะรู้ด้วยตนเองเลยผู้ใดไม่ปฏิบัติไม่รู้หรอกออนั่นแหละทีนี้เมื่อเราฝึ ก, กจิตที่ให้มันตั้งมั่นลงไปอยู่ในกุศลคุณงามความดีได้ตั้งมั่นอยู่ในปัญญาความรู้ความฉลาดแล้วอย่างนี้แม้ร่างกายนี้มันจะวิบัติแปรปรวนไปอย่างไรจิตนี่มันก็ไม่แปรปรวนไปตามแล้วบัดนี้นะ มันมีที่พึ่งอันประเสริฐอยู่ในใจแล้วนี้เออมันมีคุณประพุตประทมประสงค์มันมีบุญกุศลความดีที่ตนทำมาน่ะมีความบริสุทธิ์อันนั้นเป็นที่พึ่งอยู่ในใจแล้ววะนี้เมื่อมันมีที่พึ่งกันดีอย่างนี้แล้วมันมันก็ไม่หวั่นไหวแลวอุปมาเหมือนอย่างบุคคลผู้ที่ได้อาศัยอยู่ในป้อมในค่ายอันแน่นหนาแล้วอย่างนี้นะ แม้ข้าศึกเจะยนิงมาแต่ในสี่ทิศมันก็ไม่ตื่นเต้นไม่วันไว้ไม่หวาดกลัวเลยครัเพราะว่ามันอยู่ในป้อมอยู่ในค่ายอันหนาแน่นลูกปืนก็ไม่สามารถที่จะทะลุทะลวงเข้าไปได้อย่างนี้แหละผู้ที่อาศัยอยู่ในป้อมในค่ายนั้นจึงไม่ตื่นตกใจ อ, อันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อบุคคลใดมาสร้างกุศลคุณงามความดี สร้างคุณภาษีรัตนไกรนี้ให้บังเกิดขึ้นในจิตของตนแล้วจิตได้พึ่งพิงอาศัยบุญคุณเหล่านี้เป็นเครื่องอยู่แล้วก็ย่อมไม่หวั่นไหวต่อความวิบัติแปรปรวนของร่างกายไม่หวั่นไหวต่อภัยพิบัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นมีขึ้นแก่อัตภาพร่างกายนี้เพราะว่ามัน เมื่อบุญกุศลบังเกิดขึ้นในใจแล้วน่ะมันทําให้มีปัญญาอย่างที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละมันทําให้เกิดปัญญารู้แจ้งในร่างกายนี้ตามเป็นจริงนี่อนุภาพแห่งบุญนะไม่ใช่อย่างอื่นให้เข้าใจคนไม่มีบุญไม่มีปัญญาก็แล้วกันแหละนั่นแหละคนมีปัญญาก็คือคนมีบุญคนมีบุญก็คือคนมีปัญญา นั่นแหละเพราะฉะนั้นอย่าไปเบื่อบุญนะให้พากันชอบใจในการสั่งสมบุญกุศลผู้ที่จะมีปัญญาได้ต้องอาศัยการสดับตรับฟังเป็นพื้นเลยพอใจในการที่คล้านดูสําหรับตำนาแล้วไม่มีปัญญาคนเราอ่ ะ, อะที่คล้านภาวนาทําใจให้สงบระงับอย่างนี้นะอันนี้หมายถึงปัญญาที่ จะดําเนินไปสู่โลกุตรธรรมปัญญาที่เกิดจากสมาธินี่นะแต่ปัญญาที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนการสดับตรับฟังโุนีมันเป็นเหตุให้มองเห็นแนวทางปฏิบัติได้นั่นแหะเมื่อมันมองเห็นแนวทางปฏิบัติได้แล้วมันก็ลงมือทำอนั่ น, นลงมือทําเช่นอย่างว่า การทำสมาธินี่ทำอย่างไรจิตจึงจะสงบเป็นสมาธิอย่างนี้น ะ, ะเมื่อได้ฟังเข้าไปบ่อยๆเขาก็รู้่อ๋อต้องทำใจอย่างนี้อย่างนี้ต้องกรรมจัดกิเลสอย่างนี้จิตถึงจะสงบลงได้ถ้าหาว่ากรรมจัดกิเลสเหล่านี้ไม่ได้จิตก็สงบไม่ได้อย่างนี้เมื่อมันรู้แนวทางอย่างนี้แล้วดังนั้นเนะ่ะ กระจงสอนใจของตนให้มันเบื่อมันหน่ายเห็นโทษของกิเลสตัณหานี่เสมอเสมอไปไม่ใช่อื่นไกลเราถ้าพูดไปหลายเรื่องมันก็ฟั่นเฟือหลายพูดเอาตรงที่มันจะพอที่จะทำความเพียรประพฤติปฏิบัติไปให้ได้ให้คล่องตัวไปได้นก่อคงจะ ขอสมควรแก่ผู้ฟังเพราะว่ากิเลสตัณหานี่มันมีอยู่ในจิตใจของใครของมันใครจะไปหยิบย ก, ยกออกให้ใครก็ไม่ได้ตัวใครตัวเราต้องกำจัดออกกาจัดกิเลสนี้ออกไปเองมันถึงใดดังนั้นแม้ว่าเราจะเนะนําสั่งสอนกันอย่างวิจิตติสรานอย่างไรอง่างไรก็ตามนะ ถ้าผู้ฟังนั้นไม่ลงมือปฏิบัติไม่สำรวมตนไม่ทำความเพียรให้ติดต่อกันไปอย่างนี้มันก็ไม่มีทางที่จะมาลักกิเลสให้บอวางออกไปจากขิจใจนี้ได้นี่มันอยู่ตรงนี้นะให้เข้าใจกันอยู่ที่ความเพียรเมื่อเรารู้จักแนวทางแล้วเราต้องเพียรพยายามออทำใจให้เป็นไปตามแนวทางที่ท่านแนะนำนั้นนะ ไม่ทอไม่ถอยแล้วจิตมันก็รวมลงได้สักวันหนึ่งแหละสงบลงได้เท่าที่สังเกตมานี่คนส่วนมากนี่ทำใจให้สงบไม่ได้ปัญญาจึงไม่เกิดจึงเอาตัวรอดจากทุกข์ไม่ได้นี่นะให้พึ่งพากันเข้าใจต้องพยายามทำจิตให้สงบให้ได้ผู้ที่เพื่อนไปได้นั่น บางทีเพื่อนนั่งทําจิตให้สงบลงอยู่ได้ตั้งหลายชั่วโมงมาบางทีก็เป็นวันเป็นคืนไปก็มีอย่างนี้นะนั่นแหละมันถึงมีกำลังเข้มแข็งสามารถละกิเลสขาดจากสันดานได้ถ้าหาว่าใจไม่ตั้งมั่นอย่างนั้นนะมันไม่มีกำลังเรื่องมานาใจนี่นะมันอ่อนเอมันสู้อานาจของกิเลสไม่ได้ ดังนั้นเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเพิ่งพากันตั้งอกตั้งใจเอาทําใจจนให้สงบให้มันหนักแน่นเข้าไปดังแสดงมาสมควรแก่เวลาขอยุติลงเพียงเท่านี้